6. ขันติความโกรธทำลายความดีงามทั้งปวงเช่นทานและการเคารพ บ, บูชาในพระรัตนตรยัยที่ได้กระทำไว้นับพันกับ ให้อันตรธานในชั่วขณะจิตนั้นมันไม่มีความเลวร้ายอันใดเท่าการผูกโกรธอาฆาตแค้นมันไม่มีความสุขขมเยือกเย็นใดเท่าขันติดังนั้นเธอควรเพราะบ่มขันติให้ยิ่งในทุกๆวิถีทางจิตจะไม่พบความสงบสุขไร้ซึ่งความปิติเบิกบาน ไม่สามารถพักผ่อนนอนหลับได้ยามเมื่นหนาแห่งความผูกโกรธอาฆาตฝังอยู่ในใจผู้ที่รู้ว่าความผูกโกรธอาฆาตนั้นเป็นศัตรูรู้ว่ามันทำให้เกิดความทุกข์และสามารถชนะมันได้ย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าความไม่พอใจเมื่อประสบกับ สิ่งที่ไม่ปรารถนาหรือประสบกับอุปสรรคของสิ่งที่ปรารถนาย่อมเป็นเชื้อให้ไฟแห่งความโกรธประทุขึ้นแล้วเผาผลาญฉันดังนั้นฉันจะเอาเชื้อไฟแห่งศัตรูตัวร้ายนี้ออกเสียเพราะศัตรูนี้มิได้มีหน้าที่อื่นนอกจากทาร้ายฉัน แม้ว่าฉันจะประสบเคราะห์ร้ายรุนแรงฉันจะไม่ทำลายความสุขของฉันเมื่อมีความขัดข้องใจมันจะไม่มีสิ่งใดที่น่า ย, ยินดีและคุณความดีทั้งหลายก็จะถูกละเลยหากมันมีทางแก้ไขแล้วทำไมจะต้องขัดเคืองใจหากมันไม่มีทางแก้ไขใดๆเลย แล้วจะขัดเคืองใจไปทำไมสำหรับตัวเราเองและคนที่เรารักเราไม่เคยปรารถนาความทุกข์การดูถูกเหยียดยามการกล่าวร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียใดๆแต่ทีกับศัตรูทำไมมันกลับเป็นตรงกันข้ามความสุขนั้น ได้มาด้วยความยากลำบากในขณะที่ความทุกนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายดายแต่การหลุดพ้นจากสังสารวัตนี้ก็ต้องผ่านไปทางความทุกข์ทั้งสิ้นดังนั้นจิตเอย๋ยเจ้าจงเข้มแข็งไว้เถิดไม่มีอะไรเลยที่ยังคงความยากอยู่หากเราคุ้นเคยกับมันดังนั้น ความคุ้นเคยกับความเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆต่อไปแม้ความเจ็บปวดรุนแรงก็สามารถจะทนไว้เธอมีได้คิดรหรือว่าความเจ็บปวดจากแมลงหรือยุงความหิวหรือความกระหายการระคายเคืองและอื่นๆนั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญอันใดเลย เราไม่ควรเปราะบางกับความเย็นความร้อนฝนการเดินทางความเจ็บป่วยการถูกคุมขังหรือแม้กระทั่งการถูกทำร้ายมิฉะนั้นแล้วเราจะยิ่งทุกขง่ายเป็นทวีคูณขึ้นคนบางคนยามเห็นเลือดตนเองกลับบังเกิดความกล้าหาญแต่บางคน กลับหน้ามืดเป็นลมแม้เพียงแค่เห็นเลือดคนอื่นทั้งหมดนั้นล้วนขึ้นอยู่กับว่าจิตใจเรานั้นเข้มแข็งอดทนหรือขี้ขลาดอ่อนแอดังนั้นเราจึงไม่ควรยอมแพ้ต่อความทุกข์ยากทั้งหลายและหัดเอาชนะความเจ็บปวดให้ได้ผู้ฉลาด ย่อมคงสงบนิ่งไว้ได้แม้ท่ามกลางความทุกยากในสงครามกับกิเลสนั้นย่อมเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความทุกนั้นมีคุณสมบัติอีกด้านหนึ่งคือสามารถทำให้ความเย่อหยิ่งยะโสลดลงเพราะสิ้นหวังจะทำให้บุคคลบังเกิดความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์รู้สึกเกรงกลัวในการทาบาป และระลึกถึงพระพุทธเจ้าฉันไม่ได้โกรธเคืองอวัยวะภายในของฉันเลยยามเมื่อมันทำให้ฉันทุกทรมานแล้วทำไมฉันจะต้องโกรธเคืองผู้อื่นที่มาทำกับฉันเนื่องเพราะมีเหตุมีปัจจัยของเขาด้วยเล่าความเจ็บปวดเกิดขึ้นได้แม้เราไม่ได้ปรารถนามัน ความโกรธก็ประทุขึ้นรุนแรงได้แม้เราไม่ได้ปรารถนามันเช่นกันคนเราไม่สามารถจะตั้งใจให้มันโกรธได้ด้วยเพียงคิดว่าฉันจะโกรธความหงุดหงิดขัดเคืองก็เช่นเดียวกันความขัดเคืองและความรู้สึกไม่ดีทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นจากเหตุและปัจจัย มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆด้วยตัวของมันเองการรวมกันของเหตุปัจจัยนั้นมันก็ไม่ได้มีเจตนาว่าฉันจะทำให้มันเกิดผลอันใดและผลที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้มีเจตนาว่าฉันจะถูกทำให้เกิดขึ้นแต่อย่างไรทุกๆสิ่งย่อมขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นๆที่เป็นเหตุปัจจัย และสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นๆอีกมันจึงไม่มีสิ่งใดที่มีอยู่จริงแท้โดยอิสระดังนั้นแล้วเราจะโกรธสิ่งทั้งหลายไปทำไมเพราะมันล้วนเป็นดั่งภาพมายาคำถามถ้าเช่นนั้นการละความโกรธก็ดูไม่จำเป็นเพราะใครจะไปละอะไรเล่า ตอบจำเป็นเพราะมันเป็นเหตุปัจจัยให้มีการเกิดขึ้นของความเป็นเราและเมื่อละเสียได้ก็จะไม่ทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อประสบกับเพื่อนหรือศัตรูที่กระทาในสิ่งที่ไม่ดีเราควรพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นเพราะเหตุปัจจัยของเขา แล้วก็ทำใจให้ผ่อนคลายสบายๆหากสรรพสัตว์ทั้งหลายสามารถสมหวังในทุกสิ่งที่ตนต้องการเช่นนั้นแล้วมันย่อมไม่มีใครมีความทุกข์เลยเพราะไม่มีใครเลยที่ต้องการความทุกข์คนบางคนทำตัวเองให้เจ็บปวดเพราะความประมาทคนบางคน ทรมานตนเองเพราะความโกรธหรือความน้อยใจบางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอกระโดดหน้าผาหรือกินยาพิษเมื่อตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาคนเราฆ่าได้แม้กระทั่งตัวเองอันเป็นที่รักด้วยวิธีการเหล่านี้แล้วเขา จะอดกลั้นไม่ทำร้ายผู้อื่นได้อย่างไรหากเธอไม่มีความเมตตากรุณาแม้กับผู้ที่ถูกพิษของกิเลสจนถึงกับจะฆ่าตัวตายเช่นนี้เธอก็มีควรขุ่นเคืองพวกเขาหากการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นธรรมชาติของผู้โง่เขลาเช่นนั้นแล้ว การที่ฉันจะโกรธเคืองพวกเขาก็ไม่เหมาะสมเหมือนกับการโกรธเคืองไฟที่มีธรรมชาติในการเผาผลาญหากความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญและหากสัตว์นั้นมีความดีอยู่โดยธรรมชาติการโกรธพวกเขาก็ไม่เหมาะสมอีกเช่นกันเหมือนกับการโกรธเคืองควันที่ลอยขึ้นในอากาศ เมื่อไม่ใส่ใจในเหตุปัจจัยหลักฉันไม่โกรธท่อนไม้แต่กลับไปโกรธเครืองผู้ที่ใช้มันตีฉันเช่นนั้นแล้วมันไม่เป็นการดีกว่าหรือที่ฉันจะโกรธเครืองความโกรธของเขาเพราะว่าบุคคลผู้นั้นก็กระทำไปเพราะมีความโกรธเป็นตัวผลักดัน ทั้งร่างกายและอาวุธก็ล้วนเป็นเหตุปัจจัยแห่งความเจ็บปวดเขามีอาวุธฉันมีร่างกายแล้วฉันควรจะโกรธใครกันเนื่องเพราะมืดบอดด้วยตัณหาฉันจึงยึดร่างกายนี้อันเป็นดั่งฝีน้องที่ไม่อาจถูกแตะต้องได้แล้วเมื่อมันเกิดความเจ็บปวดขึ้นฉันควรจะโกรธผู้ใดเล่า ฉันไม่ได้ปรารถนาความทุกข์แต่เพราะความโง่เขลาฉันกลับไปปรารถนาเหตุแห่งทุกข์เมื่อบังเกิดทุกข์ขึ้นอันเนื่องมาจากความผิดของฉันเองแล้วทําไมฉันจึงต้องไปโกรธผู้อื่นเล่าเช่นเดียวกับอีกาปากเหล็กและต้นงิ้วในนรกมันล้วนมีอยู่เพราะการกระทําของฉันเอง แล้วเช่นนั้นฉันควรจะโกรธใครกันผู้ที่ทำร้ายฉันต่างก็ถูกกระตุ้นโดยการกระทาของฉันและเขาก็ต้องตกลงไปสู่นรกเพราะผลแห่งการกระทําของเขาซึ่งแน่นอนมันย่อมเป็นเพราะฉันที่ทำให้พวกเขาเดือดร้อนเนื่องเพราะพวกเขากรรมชั่วของฉันจึงมีโอกาสลดลงได้ หากมีความอดกลั้นแต่เนื่องเพราะฉันพวกเขาต้องทุกทรมานในนรกเป็นเวลายาวนานมันจึงเป็นเพราะฉันเท่านั้นที่ทำร้ายพวกเขาแต่พวกเขากลับเป็นผู้ที่ให้ประโยชน์แก่ฉันเจ้าจิตอันชั่วร้ายเอ่ยทำไมเจ้าถึงเข้าใจผิดในเรื่องนี้แล้วยังไปโกรธพวกเขาอีก หากฉันมีกุศลเจตนาฉันก็จะไม่ตกนรกแต่หากฉันปกป้องตัวฉันเองมันจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาถ้าหากฉันตอบโต้พวกเขาก็จะไม่ได้รับการปกป้องและการกระทำของฉันก็จะบกพร่องไปด้วยด้วยเหตุนี้ผู้ที่ทุกข์ทรมานก็ยิ่งจะหลงทางไปมากขึ้น เนื่องเพราะตัวจิตเองมันไม่ได้มีรูปธรรมมันจึงมีอาจถูกทำร้ายได้โดยตรงแต่อย่างไรก็ตามเพราะมันยึดมั่นอยู่กับร่างกายมันจึงถูกทำให้เจ็บปวดเพราะความทุกข์ไม่ว่าการดูถูกเย็ดย้ม、คำด่าทอหรือการทำให้เสื่อมเสียมันล้วนไม่สามารถทำอะไรให้เกิดขึ้นกับกายนี้ได้ แล้วเช่นนั้นเจ้าจิตเออยททำไมเจ้าถึงต้องโกรธเคืองด้วยความไม่ดีของผู้อื่นที่กระทำต่อเรามันสามารถจะเผาผลาญเราในชาตินี้และชาติอื่นๆได้หรือเราถึงได้เกลียดชังมันนักหากฉันเกลียดชังมันเพราะมันขัดขวางการได้ลาบของฉันสิ่งที่ฉันจะได้มา อาจลดลงในชาตินี้แต่แน่นอนบาปของฉันย่อมยังคงอยู่มันจะเป็นอย่างไรหากฉันละทิ้งอกุศลทั้งปวงและกระทําแต่กุศลในขณะที่ฉันดำรงชีวิตอยู่โดยไม่ต้องอาศัยการแสวงหาทรัพย์สมบัติใดๆอกุศลและการทําลายความดีงาม มันจะไม่เกิดขึ้นกับบุคคลผู้มีโทสะเมื่อสแสวงหาทรัพย์ปรอกหรือหากความหมายของชีวิตสูญสลายไปแล้วอะไรละ่ะคือคุณค่าของชีวิตที่ทำแต่อกุศลเธออดทนได้ต่อผู้ที่ไร้เมตตาเมื่อเขากระทำไม่ดีต่อผู้อื่นแต่เธอไม่อาจอดทนได้ ตอผู้ที่ดูถูกเหยียดยามเธอแม้ว่าเขาจะกระทําไปเพราะอำนาจกิเลสในใจของเขาความเกลียดชังของฉันที่มีต่อผู้ที่เหยียบย่ำทําลายรูปเคารพพระสถูปหรือพระธรรมอันประเสริฐนั้นล้วนเป็นสิ่งผิดเพราะพระพุทธองค์และพระอริยะเจ้าทั้งหลาย ล้วนปราศจากแล้วซึ่งความขุนเคืองใจใดๆเช่นเดียวกันเราควรขจัดความโกรธที่มีต่อผู้ที่เหยียบย่ำครูบาอาจารย์ญาติมิตรและเพื่อนฝูงของเราด้วยการมองให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยเรื่องร้ายๆที่เกิดแก่สิ่งมีชีวิต ย่อมเกิดขึ้นได้ทั้งจากสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่ความทุกข์ยากใจนั้นจะรู้สึกได้แต่กับสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้นดังนั้นจึงต้องอดทนต่อมันให้ได้คนหนึ่งกระทำความผิดเพราะความหลงผิดอีกคนหนึ่งโกรธตอบก็เป็นเพราะความหลงผิดเช่นกัน ระหว่างทั้งสองใครเล่าผิดและใครเล่าไม่ผิดทำไมฉันถึงได้กระทำกรรมเช่นนั้นไว้ในอดีตซึ่งมันทำให้ฉันต้องมาถูกผู้อื่นทำให้เจ็บช้ำในปัจจุบันทั้งหมดล้วนเป็นผลของการกระทำของฉันเองแล้วฉันเป็นใครที่จะมีอำนาจ ไปเปลี่ยนแปลงมันได้เมื่อรู้เช่นนี้ฉันจะต้องพยายามสร้างกุศลในทางที่จะทำให้ทุกๆคนมีความรักความเมตตาต่อกันและกันให้มากหากเธอทนไม่ได้แม้กับความทุกข์เล็กน้อยในปัจจุบันแล้วเช่นนั้นทำไมเธอจึงไม่ขจัดความโกรธเสียเพราะมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ ในนรกเนื่องเพราะความโกรธเพียงอย่างเดียวเราถึงได้ทำให้ตัวเองตกนรกมานับพันชาติโดยมิได้ก่อคุณประโยชน์อันใดเลยแก่ตนเองหรือผู้อื่นแต่ความทุกข์ยากนี้มิใช่ความทุกข์เช่นที่กล่าวมาและมันจะนำมาซึ่งคุณประโยชน์อันมหาศาลมีเพียงความยินดี ในความทุกยากอันเกิดจากการช่วยกำจัดความทุกข์ของโลกเท่านั้นที่มีค่ายิ่งหากคนเราชื่นชมยินดีในการสรรเสริญคุณความดีของผู้อื่นจิตเอย๋ยทำไมเจ้าไม่สรรเสริญและยินดีกับเรื่องนี้ด้วยความสุขจากการชื่นชมยินดีนี้เป็นเหตุแห่งความสุขอันบริสุทธ มันไม่ได้เป็นข้อห้ามขององค์พระาศาสดาเลยและมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ผู้อื่นสนใจทาตามแต่หากเธอไม่ชอบมันแล้วกลับคิดว่ามันเป็นเพียงความพึงพอใจของคนคนนั้นเท่านั้นและหากเธอหยุดการบำเพ็ญทานและอื่ น, นๆเธอก็จะสูญเสียรางวัลที่เธอควรจะได้ ทั้งที่เธอเห็นและไม่เห็นเมื่อคุณความดีของเธอได้รับการยกย่องสรรเสริญเธอก็ยังต้องการให้ผู้อื่นยินดีปรีดากับมันด้วยแต่เมื่อคุณความดีของผู้อื่นได้รับการยกย่องสรรเสริญเธอกลับไม่ต้องการความสุขใดๆแม้แต่แก่ตัวเธอเอง เมื่อได้อธิษฐานโพธิจิตจากความปรารถนาที่จะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขแล้วทําไมเธอจึงต้องรู้สึกขัดเคืองผู้อื่นเมื่อเขาได้ประสบความสุขด้วยเล่าหากเธอปรารถนาให้สรรพสัตว์บรรลุถึงซึ่งพุทธภาวะอันเป็นสิ่งที่ได้รับการศั ก, กระบูชาจากโลกทั้งสาม แล้วทำไมเธอถึงกลับร้อนรุ่มยามเมื่อเธอเห็นผู้อื่นได้รับเกียรติแม้เพียงเล็กน้อยผู้ที่ช่วยดูแลบุคคลที่เธอควรดูแลเขากำลังให้ของขวัญแก่เธอการพบบุคคลที่ช่วยเหลือครอบครัวของเธอทำไมเธอไม่ยินดีแต่กลับโกรธเคืองอะไรเล่า ที่ผู้ปรารถนาจะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นไม่ปรารถนาจะให้แก่สรรพสัตว์ผู้ที่ยังโกรธเคืองต่อความสำเร็จของผู้อื่นจะมีโพธิจิตได้อย่างไรคำสรรเสริญชื่อเสียงเกียรติยศมีได้ช่วยให้เราเกิดบุญบารมีมีอายุยืนยาวหรือ มีสุขภาพแข็งแรงแต่อย่างไรผู้ฉลาดที่รู้ชัดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตนก็จะหาประโยชน์ในสิ่งเหล่านั้นผู้ที่ต้องการแค่เพียงความสุขทางใจเล็กน้อยก็มักจะสแสวงหาจากการดื่มการพนันและอื่นๆที่คล้ายกันเพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อเสียง คนบางคนยอมเสียทรัพย์สมบัติหรือแม้กระทั่งยอมฆ่าตัวตายคำพูดมันกินเข้าไปได้หรือและหากตายไปแล้วใครจะรู้สึกพอใจเล่าเมื่อสูญเสียคำสรรเสริญและชื่อเสียงจิตของเราจะปรากฏราวกับเด็กที่ร้องไห้คร่ำครวญอย่าเมื่อปร า, าสาททรายถูกทำลายลง เพราะคำพูดไม่ได้มีชีวิตจิตใจมันจึงไม่สามารถยกย่องสรรเสริญใครได้แต่การรู้ว่ามีบางคนชอบเราก็ทำให้เราเกิดความยินดีได้ความรักของคนอื่นมันจะดีอะไรกับตัวฉันไม่ว่ามันจะมีสำหรับฉันหรือสำหรับใครความสุข ความยินดีในความรักนั้นเป็นของผู้นั้นเท่านั้นมันไม่ได้มีแม้เพียงเศษเสี้ยวที่เป็นของฉันเลยหากฉันสามารถมีความสุขจากความสุขของผู้อื่นได้เช่นนั้นฉันก็คงจะมีมันได้ในทุกๆ ก, กรณีแต่ทาไมฉันกลับไม่มีความสุขยามเมื่อเขามีความสุข ในการรักชอบกับคนอื่นดังนั้นมันเป็นเพราะว่าฉันได้รับการสรรเสริญความสุขจึงได้บังเกิดแก่ตัวฉันแต่สิ่งไร้าสาระนี้มันไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าพฤติกรรมของเด็กๆ เ, เลยคำสรรเสริญและอื่นๆจะเบียดบังความสงบสุขและความเบื่อนหน่ายในสังสารวัต ของฉันให้สิ้นไปมันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความอิจฉาต่อผู้อื่นที่ได้รับมันและกระตุ้นความขุ่นเคืองในความสำเร็จของเขาดังนั้นผู้ที่มุ่งคิดจะทำลายชื่อเสียงเกียรติยศของฉันจะไม่กลายเป็นผู้ที่ปกป้องไม่ให้ฉันลงนรกห ร, อกหรือความเป็นทาสในลาบ ยศสรรเสริญย่อมไม่ใช่สิ่งที่ควรแก่ฉันผู้กำลังสแสวงหาทางหลุดพ้นเลยแล้วฉันจะไปโกรธเคืองผู้ที่ช่วยปลดปล่อยเครื่องพันธนาการนี้ออกได้อย่างไรฉันจะเกลียดชังผู้ขวางกั้นประตูที่ฉันจะเดินไปสู่ความทุกข์ราวกับว่าเขาได้รับพรจากพระพุทธเจ้ามาได้อย่างไร มันเป็นความผิดที่จะโกรธเคืองคนอื่นโดยคิดว่าเขามากีดขวางทางแห่งบุญบารมีของเราในเมื่อมันไม่มีตะบะทำใดเสมอขันติเช่นนั้นแล้วเราไม่ควรจะฝึกมันให้ยิ่งหรือหากเราไม่ได้ฝึกขันติให้ยิ่งในตอนนี้ นั่นมันเป็นความผิดพลาดของตัวเราเองเราได้สร้างเครื่องกีดขวางขึ้นแทนแม้มีโอกาสในการสร้างสมบุญบารมีหากสิ่งหนึ่งไม่อาจมีอยู่ได้เมื่อปราศจากสิ่งอื่นและจะมีอยู่ได้เมื่อสิ่งอื่นมีอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้น สิ่งอื่นก็คือเหตุของมันแล้วเช่นนั้นเราจะเรียกมันว่าเป็นอุปสรรคได้อย่างไรเมื่อเวลาทำทานผู้ขอย่อมไม่ใช่อุปสรรคต่อทานบารมีผู้ทำการบวชให้จะเรียกว่าเป็นอุปสรรคต่อการบวชได้อย่างไรขอทานนั้นหาได้ง่าย แต่ผู้กระทำไม่ดีนั้นหายากเพราะไม่มีใครจะทำผิดต่อเราหากเราไม่ทำผิดดังนั้นเพราะศัตรูของเราเองนั่นล่ละที่ช่วยให้เราได้เดินไปในวิถีทางแห่งโพธิสัตว์เราควรปรารถนาเขาราวกับสมบัติที่พบอยู่ในบ้านซึ่งได้มาโดยไม่ต้องเหนื่อยยาก ทั้งเขาและเราต่างก็ได้รับดอกผลแห่งขันติบารมีมันสมควรจะมอบให้เขาก่อนเนื่องเพราะเขาเป็นเหตุให้เกิดหากศัตรูไม่ควรได้รับการเคารพเพราะความตั้งใจของเขามีใช่จะทำให้เราได้ขันติแล้วทำไมพระสัทธรรมจึงได้รับการเคารพบูชาเล่าพระสัทธรรม ก็มิได้มีความตั้งใจจะเป็นเหตุให้เราหลุดพ้นหากศัตรูไม่ควรได้รับความเคารพเนื่องเพราะเขาตั้งใจจะทำให้เราเจ็บปวดเช่นนั้นหากเป็นแพทย์ที่ตั้งใจจะรักษาเราโดยต้องทำให้เราเจ็บปวดเล่าเราจะต้องอดทนอดกลั้นต่อเขาหรือไม่ดังนั้นขันติ จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความมุ่งร้ายของผู้อื่นเขาเท่านั้นจึงเป็นเหตุให้เรามีขันติเราจึงควรเคารพเขาเช่นเดียวกับพระสัทธธรรมพระพุทธองค์ยังได้ทรงตรัสไว้ว่าดินแดนของสัพพสัตว์นั่นลหละคือดินแดนของพระชินสีพระพุทธเจ้าจำนวนมากมาย ก็ได้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุดก็ด้วยการเคารพสรพพสัตการบรรลุถึงความเป็นพระพุทธนั้นย่อมขึ้นอยู่กับสรพพสัตและองค์พระชินสีเท่าเทียมกันแล้วเราไม่ควรเคารพสรรพสัตเช่นเดียวกับที่เคารพพระชินสีหรอกหรือความยิ่งใหญ่นั้นไม่ได้อยู่ที่เจตนาความยิ่งใหญ่ของสัตว์โลก ก็เปรียบได้เช่นเดียวกันนอกจากการเคารพสรพพสัตแล้วจะมีอะไรที่จะตอบแทนเพื่อนที่แท้จริงผู้อย่างประโยชน์อันหาประมาณมิได้อีกเล่าขณะที่ยังต้องเวียนว่าอยู่ในสังสารวัฏผู้ที่มีขันติธรรมย่อมมีผิวพรรณงามสุขภาพแข็งแรงมีสเสน่ห์อายุยืน และกอบไปด้วยความสุขราวกับพระราชา